อย่าเพิ่งเคลื่อนไหวดูเฉยๆนั่งตัวตรงๆนั่งตัวตรงๆไม่เก่งเนื้อเกรงตัวใหม่มานั่งใงมีสบายขยับแข็งขยับขาแห็งสบายไม่เก่ง น, นะเห็นเนี่ยเห็นคว า, ามรู้สึกรู้ได้เนี่ยรู้คว า, ามรู้สึกของเราอ่นะรู้สึกทางกายนะอต่นี้ทางใจ ใจก็ดูความรู้สึกหายใจเข้าออกที่อัานนะกั้นนะความความรู้สึกอ่านไม่อัานไม่กั้นไหมดูให้ต่อเนื่องนานๆหน่อยไม่ใช่ดูแป๊บเดียวแล้วกันไังไงมีอ่านมีกั้นไหมตอนนี้เรารู้อยู่แล้วเนี่าความรู้สึกไม่อัานไม่กัน้นก็เป็นไปเพื่อไม่อ่าน มันเรีว่ารู้จั ก, จกที่คายพรคายหายใจเข้ายังเห็นอยู่หายใจออกยังเห็นความรู้สึกผมเกินก็ดีไม่อ่านไม่กัน้นดูให้ต่อเนื่องนานๆดูให้มันอยู่ตัวดูให้ต่อเนื่องให้มันอยู่ดูนานๆประคับประคองรู้อยู่ เป็นไงหายใจเข้ายังเห็นความรู้สึกอยู่หายใจออกก็ยังรู้ได้เขาเรียกว่าเห็นความรู้สึกเห็นความรู้สึกของเราความรู้สึกของเราเนี่ยสงบหรือไม่สงบเป็ไงสบายไม่สบายความรู้สึกสบายไม่สบายนี่มีให้ดูเยอะเลยความรู้สึกสบายไม่สบายก็ต้องเป็นแบบเพื่อสบายความรู้สึกสงบหรือไม่สงบ เนี่ยพอเราดูอย่างนี้มันจะหยุดนะนะความรู้สึกมันจะหยุดเนี่ยต้องเห็นตรงนี้มันหยุดไม่ก็ไม่มีความคิดความเห็นเนี่ยพอเห็นความรู้สึกนี่จะไม่มีความคิดความเห็นเนี่ยเดี๋ยวรู้ความรู้สึกเห็นความรู้สึกของเราความรู้สึกอย่างนี้อย่างเงี้ยเฉยๆแต่เราไม่ต้องไปมีความคิดความเห็นเราอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์นะ ควาวิพ า, าวิจารณ์มันจะพลัดออกจากตรงนี้ไม่ยังยัสบายอยู่ปอดพองทุกไม่อันไม่กัน้นร่างกายก็ไม่เกร็งเห็นกายด้วยัวที่กายก็ไม่อันไม่เก็งเนื้อเก็งตัวใจก็ไม่อันไม่กัน้นหายใจไงปอดพองดีร่อง อ, อกร่งใจดีหรือร่อง อ, อกร่งใจไหมก็ต้องรู้จักหายใจไงทีนี้ร่อง อ, อกร่องใจดีเนี่ยรู้อย่างลคนเรารู้ หายใจยังไงหึือมีความรู้สึกโล่งอบร่มใจดีจิหายใจเข้าหายใจออกหายใจยังไงถึงจะปอดโป่งดีเบาเนื้อเบาตัวดีสังเกตดูสิเนี่ยดูนีดูความรู้สึกของเราอย่างเนี้ยเป็นไงสงบไหมเราจะเห็นได้สงบไม่สงบหรือมันเฉยเฉยเรเห็นความรู้สึกของเราพักอยู่หยุดอยู่ความรู้สึกจะไม่มีอะไร ควารู้สึกมันหยุดยืดเนี่ยดูมันเฉยเฉธรรมดาเราไม่เห็นเนี่ยเราไม่ได้ดูความรู้สึกเนีามรู้สึกมันมันจะรู้สึกรู้สึกอะไรมันไม่หยุดนะมันจะรู้สึกรู้สึกไปเรื่อยเมันไม่หยุดอนนี้เราจะเห็นมันหยุดเนี่ยมันไม่อ่านไม่กั้นร่างกายในเกล็เนื้อเกล็ดตัวมันจะเบารู้สึกก็เบาไงทาไม่อ่านไม่กั้น หายใจสั้นไม่ยาวแค่ไหนถึงเนื้อหาความพอดีไม่อันไม่กั้นจิตกระพักอยู่อยู่อยู่เนี่ยต้องดูให้ต่อเนื่องดูนานๆนะเดี๋ยวดูความรู้สึกที่ตอนนี้ถ้าเห็นมันหยุดได้แล้วดูที่ความต้องการไม่ต้องการมีไหมอยากไม่อยากนี้ไหมยยินดียินร้ายมีไหมจิตใจหมกมุ่นเกาเกี่ยวอะไรมเราดูที่ความรู้สึก ดูความรู้สึกไปหมกบุญเกาะเกี่ยวหรืออะไรนไเดี๋ยวดูความรู้สึกไปไงมีอยากไม่อยากไหต้องการไม่ต้องการมีไหมยินดียินรไลนมี้หมเนี่ยเฉยๆมันไม่มีอะไรนั่นแหะเรียกว่าสงบไม่มียินดียินไล่ต้องการไม่ต้องการก็ไม่มีอยากไม่อยากก็ไม่มีแล้วเราไม่อ่านในการนั้นเราดูความรู้สึกมันจะปล่อยมันปล่อยมัน ความรู้สึกมันปล่อยมันวางมันจะเบาอ่ะมันเบามันไม่ไปยึดติดกัอะไรมันไม่ไปติดอะไรไม่ไปเกาะเกี่ยวปูนกัอะไรอย่างนี้เรียกว่าจิตเป็นอิสระเรียกว่าจิตเป็นหนึ่งหรือจิตเป็นกายไมได้นี่เราก็เห็นความรู้สึกเออไม่มีอะไรเห็นกายก็ครับประคองโล่ทำไมความคิดความเห็นมีไหมไม่มีอยากพูดไม่อยากพูดนี้ อยากพูดก็ไม่มี cut มันอยากพูดก็ไม่มีเนี่ยมันเฉยเฉยรู้เฉยเฉยมันก็รู้่ะรู้เท่านั้นเองนี่ยจิตมันหยุดแล้มันรู้เลยอยากพูดอยากคุยมันก็มีต้องการไม่ต้องการไม่มีอารมณ์ดูอยากพูดอยากคุยมันก็ไม่ไมีแล้วมันไม่มีว่าอยากรู้อะไรมันก็เนี่ยรู้ตรงนี้ครับเนี่ยมันจบอ่ะเนี่ยธรรมะถ้าเห็นตรนี้เห็นในต่อเนื่ไม่ต้องต่อก็ได้ดู นะแล้วนัน่งอยู่ไงขยับเนื้อขยับตัวอย่างเงี้ยต้องเห็นกายเห็นใจอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็สงดูอะไรก็ยังเห็นจิตนะตาดูดูอะไรก็ได้ก็ยังเห็นความรู้สึกของเราสงบอยู่ไม่มีอะไรไม่มียินดียินรย่ะต้องการไม่ต้องการนี่เนี่ยทบทวนดจูจะไม่มีอะไรหมดเ น, นี่ยไม่ต้องไปทไไําอะไรเลยไม่ต้องล่าอะไรเลย ไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรนี่เราไปละอะไรเลยนี่ให้มันรู้อย่างนี้มันละหมดเลยถ้าเราดูให้ตอนนึงนนมันจะถอนออกนะเวลาหายใจเข้าโอความรู้สึกมันจะอิสละมันไม่ไปติดไม่ไปยึดมันมันถอนออกจากอนะไรจิตมันถอน ธรรมดาจิตมันจะไปหมกมุ่นไปจะเกาะเกี่ยวมันจะไปจมอยู่อะไรหรือไหลไปอะไรนี่เราไม่เห็นเห็นได้เลยจิตเราไม่ไหลไปความรู้สึกอ่ะมันไม่ไหลไปหรือจิตหรือความรู้สึกอันเดียวแั่มันไม่ไหลไปมันไม่หมกมุ่นมันไม่เกาะเกี่ยวเนี่ยดูตรงนี้ให้รู้จักมันจบเลย เนี่ยคําสอนพระเจ้าจริงๆไม่มีมากเลยอที่มีมากๆเนี่ยมันเป็นมันจินตนาการพูดถึงอาการของจิตมันโอ้โหพูดไปแล้วไม่มีทางจบเลยจะไม่มีทางจบแล้วนะเยวเรไม่ต้องไปจินตนาการอะไรพอเห็นตรงนี้มีทุกไหมไม่มีทุกก็ไม่มีสุขก็ไม่มีเฉยๆมีไหมมีทุกมีสุขไหยคือเฉยเฉย จริงๆอะดูให้ต่อเนึ่องจริงดูจริงๆสงบมันก็ไม่มีไม่สงบก็ไม่มีก็มันเฉยๆปกตินั่นเองนาว่าปกติเป็นธรรมชาติล้วนๆเป็นภาวะธรรมนี่เราเห็นความรู้สึกของเรานะรู้ความรู้สึกของเรานะไม่ใช่เรารู้สึกนะถ้ามีเรารู้สึกนั้นไม่ใช่แล้วมันยึดมันติดแล้วไม่จะหนักเห็นความรู้สึกใครดูว่ามันจะสวยมากเป็นเรารู้สึกเนนี้ ต้เห็นอย่างนี้เห็นความรู้สึกหรือเรารู้ความหรือรู้ความรู้สึกไม่ใช่เรารู้ตัวรู้เขารู้ได้เขารู้ได้เองเราสังเกติเาขารู้เองเราไม่ต้องพยายามม่าต้องรู้นะเราไม่ต้องพยายามว่ต้องรู้ต้องดูต้องรู้ไม่ต้องเหนนะี่ยงนั่นเนี่ยรู้ได้นะยังไงยืดหลัลงยืดเอวรู้ได้เนี่ยอยากมันไม่มีเลยอยากไม่อยากก็มไม่มี เนี่ยอย่างนี้มันจะสงบอยากพูดอยากคุยเลยก็ไม่มีดูอะไรก็ดูเฉยเฉยมันก็เห็นมีศัตว์ก็ว่าสัตวว่าเฉยเฉยไม่มียินดียินร่ายนี้เราต้องดูมันนาต่อเนื่องแต่นี้เรายังเคยชินกับความยินดียินร้ายถ้าเราดูอันนี้ไม่ต่อเนื่องนะพอเราเผลอน่ะเป็นเรารู้สึกมันจะมียินดียินร้าขึ้นมหรือมีต้องการไม่ต้องการขึ้นมา ถ้าเห็นอันนี้ต่อเนื่องครับลองลองดูทีแค่แป๊บเดียวแป๊บเดียวเนี่ยลองดูยังไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนี่แหละคำว่าไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับไม่มีไปไม่มีมาต้องการไม่ต้องการไม่มีนี่แหละไม่มีไปนี่มันนาจิตนะแต่เรายังนึกถึงอะไรเราย่งเห็นความรู้สึกไม่มีไปนี่มีมต้องการไม่ต้องการก็ไม่มีอยากไม่อยากก็ไม่มีัเนี่ยคําว่าละตัญหาเนี่ยถ้ามันไม่มีอยากก็ไม่อยากต้องการไม่ต้องการไม่มียาวทุกข์ที่ไหนมันไม่มีทุกข์ ถ้าเห็นความรู้สึกนี้มันจะความรู้สึกอันนี้จะไม่ถูกปรุงแั่งจะไม่มีอะไรเลยหรืออยากจะรู้อะไรไม่ต้องอะรู้ตรงนี้มันก็พอแล้วมันเูาเห็นเข้าใจหมดหรือเรียกว่าเห็นอริยสัจถ้าดูไปเรื่อยๆยลัเ ง, เ ง, เ ง, เงเรากจเนี่ยอย่างนี้เราก็เหตุเห็นเหตุเห็ น, ห น, หนผลได้ลองพิจารณาดูโอเนี่ยถ้าอย่างนี้มันมีทุกไหม มันจะทกุกข์ไหมจะรู้ให้อยู่ตัวนะให้อยู่ตัวจริงๆกระทบสัมผัสอะไรเนี่ยมันจะไม่วันไหวเลยแต่ยังวันไหวก็แสดงว่าเรายังรู้สึกรู้บ้างไม่รู้บ้างรู้บ้างไม่รู้บ้างเนี่ยจะมีจา่นั่นไม่เป็นไรนี่ยดูไป เ, เรื่อยๆถึงมันจะเผลอไปมันถึงจะมีวันไหวมากก็ให้เราขับมาดูตรงนี้นจะหยุดพอขับมาดูนี่แต่ถ้ามัน ปล่อยให้ไม่รู้มากๆนะพอมันเข้ามาถ้ามีอะไรเกิดมากๆแล้วเนี่ยจมอยู่กับความยินดีร่ามากๆตอนนี้ให้มารู้สึกเห็นมันก็ไม่หายแอะไรนี่นะมันจมลงไปละมันไปติดไปยึดแหละนะฮะถ้าเราเห็นอยู่ตลอดเวลาเงี้ยเปุดตาดูเรียงเห็นอยู่ตาดูหูฟังเดี๋ยวนี้เรหูฟังเห็นเยังเห็นความรู้สึกอยู่ พัดลมลมพัดถูกต้องกายเย็นวกบวาบยังไงยังเห็นความรู้สึกไม่มีอะไรหน้าเราไม่มีอะไรนี่แหละว่าเห็นความรู้สึกของเราว่าไม่มีเรกรู้ทั้งนั้นรู้เนี่ยอย่างเนี้ยไม่มีตัวตนเราไม่ต้องไปคิดนึกเอาว่าเนี่ยไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ต้องเพิงเห็นความรู้สึกหน้าเราไม่มีอะไรอยู่นะ ไม่มีราไม่มีเขาเพีงเยงแต่รู้เติรนเติร่เติรนมันรู้เนี่ยรู้เติรนว้าวเนี่ยเราก็เห็นอยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้รู้อยู่างนี้และธรรมดาเนี่ยส่วนมากไม่เอาแล้วเราเชื่อวไปรู้อะไรได้มันก็ปรุงแต่งไปเรื่อยๆพอมาลู้ตรงนี้มันไม่อยากรู้อะไรเพราะมันรู้ตรงนี้แล้วมัน มันจบอะชีวิตมันจบก็เรื่องนี้ผ่านคือมันดับหมดอ่ะมันไม่มีอะไรเกิดแล้วมันดับหมดแล้วจะไปมันจะไปคิดนึกอะไรจะไม่คิดนึกอะไรอีกแลวเห็นความดับคือทุกมันดับไอ้ที่คิดนึกปุงแต่งไปแล้วเที่ยวรู้อะไรต้อไรมันไม่เห็นนี่ถ้าเห็นมันจะไม่ปรุงสร้างนั่งดูนอนดูได้หมด เนี่ย wow, มือเนี่ยอันนี้เราเคลื่อนไหวไปทีดูให้ต่อเนื่อให้มันอยู่ตัวฮะขอพลิกมือขึ้นช้าๆมันยังเห็นอยู่เขาขึ้นไปยังเห็นความรู้สึกไม่มีอะไรอ่าเนี่ยทีแรกต้องช้ช้าไม่ต้องไปดูมือนะยังดูความรู้สึกเขาเคลื่อนไปเนี้ยความรู้สึกไม่เหนียวคือเรียกว่าว่างว่งก็ว่างจะทุกข์ว่างจากโลภะโทสะโมหะไม่มี ความโลภความโกรธความหลงเราไม่มีเท่านั้นมีแต่รู้ต้อหายใจกระโปรงเราไม่อันไม่ขั้นนะ ต, ต้องตัวแย่ น, นิดด้วยไม่อันไม่ขั้นถ้ามันอันกั้นเมื่อไหร่ไม่ยึดละนั้นต้องช้าๆตอนนี้เห็นความรู้สึกอยู่นี่เคลื่อนไหวมันก็เห็นนิมนก็เห็นเห็นหมดเลยเห็นทั่วถึงหมดเห็นรวมหมดเห็นได้ทั้งตัวเนี่ยรู้อย่างเนี้ยรู้ได้ทั้งตัวเลย รู้ได้อ่ะตัวรู้ตัวนี้เขารู้ได้นี่แหละคำอภิปราอย่างนี้ี่ยรับรองจะไม่มีทางที่เป็นอ ะ, อะไรมันไม่เป็นอะไรทั้งนั้น <S <S 1> <S 1> เป็นหรือไม่เป็นมันไม่มีเน่ยมันเฉยๆนั่นเหละเรียกว่าธรรมชาติล้วนๆก็ได้คําพูดชื่อเรียบเยอะแยะเลย เนี่ยเข้าถึงธรรมชาติล้วนๆหรือเข้าธรรมชาติบริสุทธิ์หรือคํามจิตที่ผองแผ้วคือไม่มีทุกข์ไม่มีสุขนั่นนหละยิ่งกว่าสุขนะดูดีๆนะต้องให้รู้จักตรงนี้แล้วเราจะคิดว่าเนี่ยสแสบหา่าอะไรโอ้ที่จริงมัอยู่ตรงนี้เองพออยู่ตรงนี้มันจบอะชีวิตมันจบอะมันหมดปัญหามันหมดสงสัย มันยังไม่สงสัยอะไรอะไรเลยแล้วก็เป็นธรรมดาธรรมดาเราบูไปเรื่อยๆจะธรรมดาธรรมดาบางคนเราเวลาปฏิบททัติธรรมเรื่องเนี้ยเราอย่ามุ่งเพื่ออยให้มันได้อะไรๆแต่เราไม่เห็นธรรมดาอย่างนี้คือเรต้องเห็นว่าเป็นสิ่งที่วิเศษกว่ธรรมดากว่านี้มันต้องดีกว่านี้ต้องเห็นดิมันไม่มีอะไรดีกว่านี้มีแค่นี้ ถ้เห็นได้นะอย่างหลวงพ่อชี้นี่นะถ้เห็นอันนี้นะมาใครดูเคยประครับประคองเบาๆอย่าแบวบกปนประคับนะต้องเบาๆอย่างเคยจะแวกออกถ้ารู้มันก็ออกไปไม่ได้แว บ, บออนะรู้ปุ๊บดับปุ๊บรู้ปุ๊บดับพอรู้มันก็ดับพอไม่รู้มันก็เกิด เกิดยินดียินไล่เนี่ยอย่างนี้ใแล้วก็เฉยเฉยควารมรู้สึกอยากจะพูดอยากจะคุยอะไรไม่มีมันไม่มีมันไม่มีเรื่องมันไม่มีเรื่องที่จะพูดที่จะคุยอะไรที่เรามีเรื่องที่จะพูดที่จะคุยหรืออะไรต่ออะไรที่จะมแห้งทีได้รู้อะไรแล้วก็หากระดาษมาจดจ ด, จดน่าเป็นความคิดเท่านั้นเลยกิเลสเท่านั้นเลยเนี่ยอันนี้ไม่มีกิเลสไม่มี ดูดิว่าพ้นทุก พ, นพ้นภาระจิตใจไม่มีภาระมันไม่มีภาระเลยเนี่แล้วถ้าเรารูน้นี่ต่อเนึ่งจริงทําการทํางานทำํำมันจะไม่เป็นภาระเลยเนี่ยนะควารู้สึกมันไม่อันมันไม่กั้นร่างกายก็ไม่เกรงเนื้อเกรงตัวอย่างเนี้มันจะเบาถึงเราจะทําอะไร ท, ไทําำมันจะเบากายเบาใจไปหมดจะกว่าจะเช็ดถู ล้างถวยล้างจานหรืออยู่กาอะไรเราก็เห็นก็เราอย่างนี้ด chớ chớ. ูอะไรก็ชื้นไม่ไปวิพากวิจาร์มันก็ไม่มีวิพากวิจาร์อะไรหมดอย่างนี้บางทีเราอาจจะต้องบอกตัวเองบ้างบางอย่าไปวิพากวิจาร์พอวิพากวิจารมันจะลืมตัวต้องบอกตัวเองอย่าไปวิพากวิจารอย่า ไ, ไ, ไปจนินตนาการอะไรถ้าจินตนาการอะไรหรือวิพากวิจารเนมันจะหลงะละ ผิดลงก็ไม่รู้ตัวนะไม่เห็นความรู้สึก น, ะ น, น, นะนั่นเรีว่าหลงนะนั่นเรียกว่าโมหะหรือเรียกว่าหลงอันเนี้ถ้าทําให้ต่อเนื่องต้องใช้เวลาเ ป, ป, ป็นปะีๆนะต้องทําไปเรื่อยๆปีหนึ่งสอปีสามปีไม่รู้ดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้เราดูเรารู้อย่างนี้ก็ไม่มีทุกข์คนทุกคนภาแลพอใจตรงเนี้เราดูดิดูจริงๆให้เห็นว่าโอ้เนี่ยนี่สิ่งที่เป็นสาระ หรือเป็นประโยชน์อันสูงสุดของชีวิตนะอันนี้เราจะมีความยินดีและมีความพอใจอ๋ออันนี้เองพบแล้วอ๋ออย่างนี้แล้วมันจะไม่คิดที่จะแสวงหาอะไรอีกมันจะไม่มีไปมีมาเนี่ยทีไม่เอาที่อะไรอย่างนี้พรุ่งนี้คิดว่าอยากจ ะ, จะกลับเนี่ย มันจะมีความรู้สึกว่าพรุ่งนี้จะกลับถ้าเรามารู้ความรู้สึกรู้สึกเนะี่ความรู้สึกที่อยากจะกลับมันจะไม่มีเลยต้องบอกโอ้เนี่ยก็มีตามเหตุการณ์โอ้พรุ่งนี้เราต้องกลับต้องไปแต่ก็ยังรู้สึกรู้สึกมันจะไม่มีอะไรว่าจะไปนั่นไานี่ก็อยู่กับความรู้สึกนั่งรถไปก็นั่งอยู่ก็ดูก็เห็นความรู้สึกมันจะไม่มีว่าเมื่อไหร่จะถึงแต่ก็รู้เวลาได้เออนี่ขี่โมงขีง่โมง เราก็อยารู <noise> aja, ch ้ว <chớ> en ่านางรถคนี่ชั่วโมงนึ่งจะถึงมันจะไม่กังวลกังวลมันจะไม่เล่าร้อนอะไรมันจะเฉยเฉยเห็นไรก็ดูเฉยเฉใครยังไงเราก็เฉยเฉยนั่นให้เห็นนั่นให้เห็นความรู้สึกความรู้สึกมันเฉยเฉันเขาเฉยเองนะความรู้สึกเขเฉยเองนะไม่ใช่ว่าเราต้องทําเฉยเฉยไม่ต้องทํานะถ้าทําไม่ใช่นะ อันนี้ไม่ต้องทําอะไรนี่แหละภาวะเดิมของเรามีอยู่แล้วภาวะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นธาตุนั้นเองเนี่ยคําพูดเพราะนี่เห็นธรรมมากดเห็นคําว่ามีดวงตาเห็นธรรมดูเห็นถ้าถ้ารู้อย่างนี้ผีดก็ไม่เป็นทุกข์ขนาดนึงขณะรู้สึกว่าเราหลุดพ้นพ้นจากอะไรชั่วขณะดนึงขณะดนึงอย่างนี้เรียกว่าพระโสดาบันก็ได้ มีดวงตาเห็นธรรมก็เห็นกระแสะของพระนิพพานก็หมายถึงเความสงบดับไม่มีเหลือนะั่นไม่มีอะไรเกิดแค่แวบบหนึ่งแวบหนึ่งอันนี้อย่าลืมอันนี้ต้องรู้จักอันนี้ต้องจำให้ได้อย่าลืมอันนี้บันทีเราเผลอไปก็กลับมาดูตรงนี้ยังเห็นความรู้สึกมันจะดับทุกอย่างนี้เรียบรู้จักดับมันจะดับได้ทันทีเลยถึงไม่ได้ทันทีหมายถึงเราไปจมมันมากๆมันไม่ทันทีแล้วก็ดูชเฉย มันก็เป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติทงี่ใจอาจจะมีอะไรอะไรหรืออาจจะลำบากกายลำบากใจลำบากกายแล้วก็ดูมันเฉยๆอ๋ๆอเป็นอย่าง น, นี้แต่ก็ดูใจของเเป็นคว า, ามปล่อยนะมันรูคว า, ามรู้สึกมันเป็นคว า, ามปล่อยความวางมันปล่อยมันวางที่เขาสอนบอกให้รู้จักปล่อยรู้จักวางเลยเราต้องปล่อยหรือวาง น, นี่ไม่ใช่ใช่เหมือนกันนั่นก็ แต่มันยังไม่ใช่ของจริงที่อย่างนี้เข้าถึงความปล่อยความวางเขาวางเองเขาปล่อยเองเลยเขาไม่ยึดเขาไม่ติดลองดูความรู้สึกดิไม่มีเขาไม่ติดเขาไม่ยึดเลยนะก็เห็นเลยนะดูดึถ้าเห็นตรงนี้ลริ่มดูไปทาให้ต่อเนื่องเขาไม่ติดเขาไม่ยึดเขาปล่อยเขาวางเขาค้นอย่างอะไรเขาอยู่เหนืออะไรเห็นอะไรก็เห็นเห็นสักเดี๋ยวไปเห็นเห็นก็รู้ว่าเห็นเป็นอะไรอ่ะ ก็ยังเห็นจิตอยู่ไม่มีแล้วไม่มียินดียินร้าไม่มีต้องการไม่ต้องการชอบไม่ชอบไม่มีหมดความรู้สึกไม่มีอะไรไม่ใช่เป็นเราเรารู้สึกเราชอบไม่ชอบอย่างนี้มีเราเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรนี่แบสนุกนะลองดู้ดีๆตรงนี้ แล้วอย่างนี้ยจะนั่งจะนอนแล้วมันก็ไม่มีอะไรก็เฉยเฉยเนี่ยคําว่าวิเวหรือคําว่าที่สั ง, งัดจิตวิเวจิตสงัดสังกัดจะอะไรอะไรวิเวจากอะไรส ง, งบจะอะไรไอะไรไม่มีคือเขาจะลู้มเขาเองเขารู้เองแล้อย่างนี้มันจะเฉยเลย ไม่มีอยากพูดอยากคุยหรืออยากจะแสดงความคิดเห็นอะไรไม่มีอ่ะมันจบอยู่ในตัวต้องให้ต้องดูให้ต่อเนื่องเรื่อยๆนี่อยากจะชี้ให้ดูตรงนี้เนี่ยอย่างเนี้ตอนสําคัญเลยเนี่ยต้องให้เข้าใจตรงนี้ให้รู้จักตรงนี้ให้ได้ถ้าไม่รู้จักก็เนี่ยบันทีอาเปลี่ยนั่งดูที่อย่างที่บอร์ดนะ ดูกายดูใจดูกายทียเป็นไงนั่งขนาดรู้ได้ให้เขารู้เองเนี่ยรู้ได้ใช้ได้แล้วเนะี่ยเราลุ้นเขารู้ได้เ่ยถ้าเราต้องรู้อย่างนี้มันมีเรามันจะหนักมันจะยึดไม่เกรงด้วยเห็นได้เลยรู้ได้เออไม่เกรงพอไม่เกรงนะมันจะเบาร่างกายเลาจ ส, สบายจะรู้สึกสบายจะมีความสุขเลยเนี่ย ถือว่ารู้อย่างนี้จะมีความสุขพอเห็นกายก็มีความสุขแล้วนี้ตัวใจก็ไม่อั้นไม่กัน้นหายใจเข้าทางกายก็ไม่เก่งนะมันจะเบามันจะว่างมันจะเบามันจะโป่งความรู้สึกมันป่งโล่เบาเบ า, เาออกเบาใจเบากายก็เบาใจก็เบาเนี่ย เวลาเราเผลอไปเราต้องให้รู้จักพอรู้จักนี่เราต้องกลับมามาคทบทวนะมาตรวจสอบดูว่าเห็นอย่างนี้ไหมถ้าไม่เห็นอย่างนี้นั่นเราผิดไปแล้วหลงก็ยังหลงอยู่ถึงจะรู้ตัวก็ยังหลงอยู่นั่นก็เรียกเป็นมิจฉาทิฏฐิยังเห็นผิดถึงเห็นอยู่รู้อยู่แต่ไม่จะคิดนึกไปให้อย่างนี้จะไม่มีมันไม่ใช่เรื่องคิดนึกแต่เ ป, เป็นเรื่องของความรู้ รู้เนี่ยพุทธะไปว่ารู้อันใครเห็นได้ไหตัวรู้มีอยู่ฮน ะ, ะนั่นแหะตัวรู้ตัวนี้นี่แหละเรียกว่าอยู่เนะือเนี่ยโลกุตละพอรู้อย่างนี้เขาอยู่เหนืออะไรหมดเลยรู้แต่นี่เราต้องฝึกดูเวอบ่อ ย, อ ย, อยเพราะเรธรรมดาแล้วคนเราจะเคยชินมันจะเป็นเรารู้สึกมันจะมีความรู้สึกยินดีจรินร้ายแค่จะทุกเทือก ถ้าไม่รู้อย่างนี้มันทุกเทไปเลยพอใจเน่พอใ จ, อใจหรือมีภาควิจารคนนั้นเป็นอย่างนี้นคนนี้เห็นแล้วมันไม่เฉยอ่ะนี่เห็นแล้วมันจะเฉยเฉยฟังก็ฟังเฉยเฉยก็ย่างดูจิตจิตก็เฉยเฉยไม่มีความคิดความเห็นอะไรมันรวมอยู่ในนเสร็จมันรู้รวมละหมดอยู่แล้วไม่ต้องไปมีความคิดความเห็นมันจะไม่มีอ่ะเพราะมันรู้อ่ะมันรู้รอบอ่ะอันนี้เป็นญาณนะ นี่แหละคำว่าวิปัสนาญารู้อย่างนี้เรียกว่าวิปัสนาญาเนี่ถึงเรียกว่าที่บอกว่าทาวิปัสนาเนี่ยบอกไปทําไม่ต้องทําอย่างนี้เรียกว่าเป็นวิปัสนาเป็นความรู้อันวิเศษวิเศษไหมรู้เนี่ยรู้เองมันวิเศษมันรู้เองแต่ธรรมดาเราต้องรู้รู้สึกเราเป็นภาระทางจิตแม้เราต้องเคยรู้นะต้องเคยดูเคยรู้นะเป็นภาระทางจิตแต่นี้เราไม่สังเกต ถ้าอย่างนี้ไม่เป็นภาระจิตก็ไม่เป็นภาระอะไรเนี่ยไปทําการทางานถ้ามาเห็นอย่างนี้จิตจะไม่มีภาระไม่มีทุกข์ไม่มีภาระไม่เป็นภาระไม่เป็นทุกข์มันจะไม่หนักอกหนักใจอ่ะธรรมดาเรารู้ตัวเมง่อไงลูกบางทีเราทําอะไรเนี่ยมันจะมีความรู้สึกหนักอกหนักใจหรืออาจจะมีหงุดหงิดร้อนอกร้อนใจถ้ายี้พอ เ, เห็นมันจะเกิดไม่ได้มันจะเกิดที่เราจะเห็นมันเกิดเลย มันจะเกิดร้อนหรือเกิดหงุดหงิดแต่มาถึงเมาเราเห็นอันนี้ต่อเนื่องนะเราก็เห็นเลย้หรือว่าเห็นก่อนเกิดหรือเห็นมันเกิดแล้วถ้าเรามารู้เท่าทันสติเราต่อเนื่องจริงๆเราจะรู้ก่อนเกิดก่อนมันจะเกิดี่ยอ่าม่เกิดตรงนี้อพอมาเห็นมันมันจะเกิดตรงนี้ยังไงหรือเปรียบเทียบอย่างนี้ฮะ อย่างน้ำในโอ่งเวลามันข้างนอกข้างล่างมันมีตะกอนแต่นนี้น้ํามันเหลือน้อยถ้าเราขันไป็นจ้วงแรงๆเนี่ยมันจะมันจะตักตะกอนขึ้นมาด้วยแล้วเราต้องตักไงเคยื่อยทุกทีกับเราเลยเบาๆแล้วเราจะเห็นตะกอนมันพุ่งขึ้นมาเราจะเห็นจิตของเราจะรู้จิตว่าจิตมันพุ่งขึ้นมาอย่งมันจะเห็นหรือเห็นอารมณ์โอารมณ์มันเกิดโอ้มันเกิดอารมณ์ พเราร น, นมันจะสิ้นเนี่ยยาแต่ละเส้นเนี่ยคอเกิดยานอันนี้ยานวิปัสสนานี่มันจะเส้นไปซึ่งอาสวะควะามเคยชินนะเนี่ยถ้าเราชินชินเห็นตรงนี้ชินชิ น, ช น, ช น, ชนหมดแล้วน่มีอะไรเกิดไม่มีดักนั่นเรียกวพระอาหารจบกิจเสร็จกิจกิดอื่นแล้วไม่มีอาหารบอกนี่กิจอื่นแล้วไม่มีะ พอมรจย์อยู่จบแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วความเกิดอี ก, กไม่มีแล้วเอาอะไรไปเกิดจะเห็นหน้เดี๋ยวนี้มีอะไรไปเกิด้าถามาตายแล้วเกิดไม่เกิดเนี่ยดูตรงนี้เวล า, าเราจะตายล้วก็ดูตรงนี้มันก็ไม่มีอะไรเกิดเบลเดี๋ยรู้รู้แล้วเห็นผ่าเป็นไปเราเห็นตายก็ไม่มีก็เห็นผ่าเป็นไปเออมันเจ็บมันปวดก็เห็นมันเจ็บมันปวดแล้ว ก็ดูมันแล้ก็เฉยกับความเจ็บความตัวแต่เราก็เป็นไปเพืสบายดูแบบสบายสบหรือดูแบบเฉยเฉยก็แล้สบายแล้วไม่สบายก็แล้วแต่เราก็เฉยเฉยเราเฉยได้พอเห็นความรู้สึกมันจะเฉยได้คอยู่เหนือเขาก็อยู่เหนืออะไรหมดไม่ใช่หนูเหนืออะไรหมดนี่เรียวโรขึ้นลาดเขาอยู่เหนือโลกน้อยนะน้อยคนที่จะรู้จักอย่างนี้น่ะ ยากน้อยจริงๆมันไม่ใช่เรื่องยากับถ้ามารู้อย่างนี้เห็นมมันไม่ยากแต่ว่าทำให้ต่อเนื่องนี่ต้องใช้เวลาเนี่ยธรรมะของพุกธิยานี่เขาไม่จะเจอสติปัฐานสี่เนี่ยภายในหนึ่งวันถึงเจ็ดวันเนี่ยเนี่ยถ้าเข้าใจอย่างนี้เนี่ยโสดาสกิทานาคาพระอรหันเนี่ยอืมต้องสำเร็จใอยู่ตรงนี้ เดี๋ยวนี้เลยพิบตาเดียวอึดใจเดียวแต่ทาไม่รู้วะต้องใช้เวลาไปหกเจ็วันเจ็ดวันไม่รู้ก็ต้องเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนถึงเจ็ดปีดูไปเรื่อยยังไม่รู้กดูไปเรื่อยเจ็ดปีอันนี้ไม่รับหรอกมมนต้องถึงหรอก <c oughs> รู้ได้ที่เดี๋ยวนี้แต่ว่าทำให้ตอ่อเนื่องไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้เลยมันพระเจ้าที่ส้อนออกมารับเรือเดียว พิภตาเดียวอึดใจเดียวเนี่ยรู้ได้ทีเดียวง่ายนะแต่นี้มันรู้ไม่ต่อเนื่องอันนี้ทีนี่ยทีเรียกว่าต้องเจริญสติคาว่าที่เรารู้อย่างนี้นี่เรียกว่ามีสติแหละนี่เราเรียกว่าสัมมาสติด้วยนะเป็นความปล่อยความวาเบาอะหน้าหนาเ ร, รู้ที่มันเบานะ่ยมันปล่อยนะแต่เราบางครั้งมันหนัก อย่าเราสังเกตพิจารณาดูสิเราลึกดูสิสิส่งที่เราผ่านมามันไม่รู้อย่างนี้แล้วมันหนักพอรู้อย่างนี้มันเบาแล้วมันปล่อยมันเบาเนี่ยมีให้เราดูเยอะรับรองติดตามหลวงพ่อนี้ไม่นานเลยรู้บ้างไม่รู้บ้างรับรองจะชำนาญขึ้นแต่ต้องติดตามไปเรื่อยกๆก็ต้องอาศัยมาเคยเน้นเคยย้ำอย่างนี้ ไม่ต้องไปจดไม่ต้องไปอะไรให้รู้ตรงนี้ถ้าจดก็มันเป็นความจําเท่านั้นเองใช้ไม่ได้ไม่ต้องไปจําอนเดมันรู้รู้จักอะเห็นอันนี้แต่นี้เรายังจําไม่ค่อยได้อันนี้จําอันนี้ไม่ใช่ไปจดแล้วก็ถึงเอามาดูโอรู้แล้วแต่ไม่เห็นอันนี้ไม่มีความหมายใช่มความรู้สึกมันไม่มีไปไม่มีมาไม่อยากไปไม่ มันอยากไม่ใช่ว่าไม่อยากไปไม่อยากมามันไม่ใช่มันไม่มีหมดอ่ะแต่รู้เออเรามีกำหนดของเราเออพรุนี้เราต้องกลับเพต้องแต่างทีเราก็ดูว่ามีความจำเป็นหรือไม่จำเป็นแค่ไหนถ้าไม่จำเป็นไม่สำคัญบางทีเราก็ไม่กลับก็ได้ถ้าจำเป็นสำคัญต้องกลับอย่างนั้นมันเสียการเสียงานสิ่งขายนอกเริ่มจะนำมาซึ่งทุกเนี่ยเราทำอะไรไม่ถูกต้องมันจะเกิดทุกอีก เข้าใจนะนี่ต้องรู้จักเดี๋ยวต้องดู้นี่แล้วไม่ต่อไปดูความรู้สึกมันอยากโทษอยากคุยมันไม่ ม, มีใช่ไหมดีไมอยูน่นี้นี่นั่นแหละสังกัดน่สังกัดแล้วจากการทั้งหลายสงกัดแล้วจากอริยสัธรรมทั้งหลายเนี่ยเรียก นี่เข้าถึงฌานปฐมฌานนะเห็นไหมไม่ใช่อย่างที่เราที่เขาพูดพูดเราไปนั่งเข้าฌานนั่นแหละเห ม, มนฌานของคนไม่รู้ไม่ใช่ฌานของพระเจา้าฌานพระเจ้าเรียกนี่เนี่ยที่ยังเห็นอยู่นะั่นคือเพง่งคือดูอยู่เห็นอยู่ฌานแปลว่าการเพง่งการเผาพอเห็นอยู่รู้อยู่นะั่นอิเลจะไม่มีจะเกิดขึ้นไม่ได้คือเผา มีความเพียรเครื่องเผากิเลสเ น, นี่ยอันนี้คําพูดแต่ไม่ไเผาพอรู้มันไม่มีอะไรเราไม่ต้องรู้สึกว่าเราไปเผาอะไรพอเห็นอยู่นั่นแหละเราดูที่ตาอีเขียงทีสามีสตินี่มันจะตรงกันหมดเลยมันดูที่ใจเลยจะตรงกันหมดเลยแต่คําพูดนั่นอาจจะไม่ถูกที่เราประชดมาไปติดคําพูดนี่ไม่ใช่คําพูด จะพูดไม่ได้เขียนก็ไม่ได้มันเขียนยังไงก็ไม่ถูกแต่เราจะรู้เองอ น, นี่คํามารู้เองพุโทโธเป็นผู้ตัดสั่งชอบด้วยโด ย, โดยพระองค์เองไม่มีใครสอนอันนี้ไม่ต้องสอนสอนไม่ได้ทุกคนรู้เองอย่างเนี้ต้องรู้อย่างนี้นะไม่ใช่คําสั่งสอนอย่างนี้นี่คนส่วนมากที่เข้าใจเราเป็นคําสั่งสอนแล้วเราทําไปตามคําสั่งสอน ติดมันยึดทั้งอันนี้มันจะเป็นตัวของตัวเองเขามาอิสระนีไ่ไงเบาโกเบาโลว่าจะดูอะไรเพียงอย่างนี้ไม่ลืมใจไม่ลืมจอย่างง่ายๆเจะไม่ปวดเมื่อยเห็นชั ด, ดเนี่ยมีดวงตาเห็นธรรมหรืออะไรคำพูดหรือสวานี่เดียว